ความในมหาประทานสูตรที่กล่าวถึงการตรัสรู้หรือการพิจารณาการเจริญวิปั ส, สนาของพระวิปัสสีโพธิสัตว์พระวิปัสสีโพธิสัตว์เนี่ยนะผู้ที่สังสมบา ร, รมีสังสมอัธยาสายอัธยาศัยก็คืออัธยาศัยทั้ง6ประการเนี่ยนะคืออโลพัธยาสัยอโทสัธยาสัย อ, โ, ยยอโมหัธยาสัย สะสมอัธยาศัยทั้งที่เป็นเนคขั ม, มัธยาศัยวิเวกัธยาศัยและนิสรนัธยาศัยอัธยาศัยทั้ง6ที่พระองค์ได้บำเพ็ญจนเตี่ยมบริบูรณ์ด้วยการสร้างบารมี10อุปปารมี10ประมัทธาบารมีสิบมหาบริจัก5อธิฐานธรรม4เพื่อที่จะบำเพ็ญจริยสาสยาตรจริยาการประพฤติเพื่อประโยชน์แก่ญาติ โลกาธจริยาพระองค์ประพฤติเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกแล้วก็พุทธจริยาก็คือจริยาข้อประพฤติข้อปฏิบัติแห่งความเป็นพระพุทธเจ้านั่นเอง จ, จวบที่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีบำเพ็ญคุณธรรมเพื่อความตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจนได้ปฏิสนธิเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยนะคือหลังจากที่กระทำเบญจมหาบริจาค เช่นกับพระเวสสันดรและพระองค์ก็เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจนครบอายุไขจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตก็มาเกิดในพระคันของพระพุทธมารดาอยู่ในพระคันครบถ้วนตลอดระยะเวลาสิบเดือนก็ประสูติเมื่อพระองค์ประสูติแล้วก็มีบุพนิมิตเช่นเดียวกันกับพระโพธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคือพระโพธิสัตว์เหล่าใด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 ก็เลยเหตุให้สมีสมัญญาว่าวิปัสสีพระองค์ก็ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเนี่ยนะสร้างปราสาทสามฤดูถวายแด่พระองค์คือเนื่องจากว่าพระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นเป็นผู้ที่ประกอบด้วยมหาบุริษลักษณะ32ประการบุคคลใดก็ตามมหาบุรุษใดก็ตามที่ประกอบไปด้วยมหาบุริศลักษณะ32ประการถ้าอยู่ครองเรือน จักสำเร็จเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระราชายิ่งกว่าพระราชาเป็นพระราชาที่พระราชาบูชานะปกครองแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เนี่ยเป็นขอบเขตถ้าหากว่าพระองค์ออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระอาหารหันตสตัสมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกนั่นนะพันฝ่ายพระพุทธบิดาคือพระเจ้าพันธุมะนั้นโดยพื้นเพอัทยาใย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 ให้ติดอยู่ในความสุขก็เลยมีการบำรุงบำเรอพระองค์ด้วยเบญจากา ม, มคุณทั้งหลายเนี่ยนะนะสรรหารูปใดๆที่ ท, ที่น่าปรารถนาที่สุดเสียงที่น่าปรารถนากลิ่นที่น่าปร า, ารถนารสที่น่าปรารถนาโพธิภพ ท, ที่น่าปรารถนาในวังสามฤดูเรียกว่าผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาลก็อยู่ด้วยความสุขสนุกสบายเนี่ยนะนะตลอดระยะเวลาหลายพันปีผ่านไป นี่ฝ่ายเท้ามาหาพรหมโดยเฉพาะเท้าสุดทาวาสพรหมนั้นก็คิดว่าบัด น, นี้พระโพ ธ, ธิสัตว์รู้สึกว่าจะมีความเมามากไปหน่อยละเนี่ยนะเมาในความเป็นหนุ่มเนี่ยนะเมาในความเป็นหนุ่มก็คือคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนหนุ่มก็เรียกว่าเป็นความเมาชนิดหนึ่งคือคนที่มีความสําคัญว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนุ่มบุคคลเหล่านี้น้อมไปทําไม่ทําบุญหรอกเนี่ยนะยิ่งคิดว่าตัวเองหนุ่มเท่าไหร่ยิ่งใจที่น้อมไปทําบุญเนี่ยยาก พระโพธิสัตว์บัดนั้นเนี่ยก็คือถูกบำรุงบำเรอปรนเปลอยู่ด้วยกามคุณห้าก็มีความสุขเหลือเกินน่ยนะพร้อมชั้นสุดทาวาสผู้เป็นพระอรหันต์ตะคีนาศพก็เลยปรารว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยเมาอยู่ด้วยความเมาเป็นหนุ่มพระองค์ก็เลยเนรมิตรเนรมิตรเป็นเทวทูตเทวทูตนั้นแปลว่าทูตของวิสุทธิเทพเทวะตัวนั้นหมายถึงพระอรหันต์ทูตของพระอรหรันต์ หรือทูตของผู้ที่จะได้เป็นพระอารหันต์จะต้องได้รับทูตแบบนี้นะมาบอกข่าวสารว่าโลกนีอัญชารานาไปไม่ยั่งยืนนะพระโพธิสัตว์ก็เลยมีการไปประพาสสวนเมื่อไปประพาสสวนหรือไปเที่ยวอุทยานเที่ยวสวนก็ไปเห็นคนแก่ทั้งหลายไปเห็นคนชรลาซึ่งเกิดมาท่านไม่เคยเห็นใครชรลาขนาดนี้ น, นะผมก็ไม่เหมือนของคนอื่นที่เคยเห็นในวัง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 ท่านก็คิดเลยว่าก็ได้แต่ไปนั่งบ่นพิมพัมว่าความเกิดในช่างน่ารังเกียจแท้นะท่านไม่ตำหนิความแก่นะแต่จริงๆก็ไม่ได้ถามว่าท่านชอบความแก่ไหมบอกไม่ชอบแต่ท่านเกลียดเหตุมากกว่าบอกว่าไอ้ความเกิดเนี่ยช่างน่ารังเกียจแท้น่าเกลียดแท้เพราะเมื่อความเกิดมีอยู่ความแก่จึงมีถ้าไม่เกิดก็คงไม่แก่อนะันนั้นก็เป็นโจทย์ที่ท่านคิดอยู่เรื่อยๆนะ คิดไปเนี่ยความที่ท่านมีปัญญาเนี่ยท่านใคร่ควรวญอยู่อย่างนี้นอนอนะนะไม่เที่ยวไหนไม่อะไรเก็บตัวเลยปิดห้องเลยสนมกำนันก็ไม่ค่อยได้เฝ้าเท่าไหร่หรอกนะน ะ, นะอะรอบๆจริงอยู่มากไปด้วยสนมกำนันแต่ว่าในช่วงที่เห็นเทวทูตกลับมานั้นแทบไม่ได้ไม่นี้เลยนั่งคนเดียวเงียบๆคิดอยู่ว่าความเกิดเนี่ยเลวแท้ความเกิดใ น, ดนช่างหน้ารังเกียจแท้คือท่านเนี่ยไม่เหมือนเราอะนะเราฉลองวันเกิดดีใจมากนะได้เกิด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 ก็เนรมิตให้เห็นคนเจ็บเนี่ยนะคนเจ็บที่ที่ป่วยมากแลวนะป่วยขนาดไหนป่วยมากถึงขนาดเรียกว่าจมอุจจระปัสสาวะจะต้องคอยพยุกลุกพยุกพยงให้ลุกขึ้นต้องป้อนอาหารเหนั้นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะความเจ็บป่วยที่บีบคั้นอย่างนั้นซึ่งพระโพธิสัตว์พอมองเห็นนี่เขาเรียกว่าอะไร บอกนี้เรียกว่าคนเจ็บพระเจ้าข้าบอกว่าแม้ตัวเราเองก็ยังต้องเจ็บอย่างนี้หรือบอกพระองค์ด้วยข้าพระองค์ด้วยต้องเจ็บอย่างนี้แหละอันผู้ที่เกิดมาแล้วที่จะไม่เจ็บไม่มีมันจะเจ็บส่วนไหนเท่านั้นเองอันนั้นท่านสังเวชใจมากมก็มาบอกว่ากลับเถอะก็กลับไปอยู่ที่วังบอกว่าความเกิดนี่ช่างหน้ารังเกียจแท้ความเกิดเนี่ยเลวแท้นะหน้าตำหนิหน้ารังเกียจเลอะเกินความเกิดเพราะเกิดมาแล้วต้องแก่แบบนี้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 เพราะท่านไม่ต้องห่วงเพราะตอนนั้นเนี่ยพระองค์ไม่ได้ครองราชผู้ที่ครองราชคือพระเจ้าพันธุมะนี่ดูแลราชสมบัติท่านเป็นท่านเป็นพยุพหราชว่าที่ผู้เรียกว่าพระราชบุตรหรือผู้ที่จะครองราชสมบัติก็จริงท่านเรกอะไรนะผู้ที่จะครองราชสมบัติราชทายาทเราองค์รัชทายาทคืออยู่ในตําแหน่งองค์รัชทายาทอยู่ยังไม่ใช่เป็นพระราชาจริงดงั้นการปกครองบ้านเมืองทั้งหมดอยู่ที่พระราชา พระอง์ก็สเสวยสมบัติข้าพบอกว่าดุจเทพเทพกุมารดุจเทพพระบุตรหนุ่มเนี่นะทีท่มีความสุขอยู่ในราชสมบั ต, ติท่านไม่มีเรื่องอื่นให้วิตกกังวลเลยม า, ากังวลเรื่องครอบครัวหรือบอกก็ไม่มีเพราะมาเหสีของท่านเนี่ยก็ตามใจท่านทุกอย่างเนี่ยนะคือท่านเป็นผู้ที่มีคนรักเลยนะทุกคนรักท่านหมด มันปัญหาแบบธรรมดาทั่วๆไปท่านไม่มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องโอดเรื่องอยากเรื่องหิวเรื่องทุกเรื่องไม่ใช่ปัญหาของท่านซากักเรื่องเนื่องจากว่าท่านมีแต่ความสุขเพราะว่าถ้าร้อนนิดเดียวก็มีคนมาพัดให้ปเปิดเตดแล้วเนี่ยนะหนาวนิดเดียวก็มีอะไรมาช่วยให้อบอุ่นชีวิตท่างมีแต่ความสุขสบายแต่ท่านท่านไปเห็นภาพคนแก่มาครั้งหนึ่งท่านสังเวชมากนะท่านสลดมากท่านจําแม่นมากเลยจําแม่นว่าโอ้โหนี่ความเกิดนี่ร่ารังเกียจขนาดนี้เลยหรือทําให้ต้อง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 อย่างแข็งแรงมากเ อ, อ่านพรไตรปิฎกเลยอย่างเงี้ยไปมีธุระอย่างอื่นให้ทำตั้งเยอะแยะไปไหนไม่ไหวก่อนแล้วเขอยู่บ้านอ่านพระไตรปิกองเนะมันส่วนใหญ่มันแค่ว่าแทนที่จะเอาสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงน้อมไปเพื่อเจริญกุศลบอกไม่น่นแหละแทบจะถางตาลืมเรียกว่ายกเปลือกตาไม่ค่อยจะขึ้นนั่นแหละเจริก็เริ่มอยากจะอ่านพรไตริฎกนี่ยนะไอตอนที่แข็งแรงเอาไปอ่านอย่างอื่นโมดอย่างเงี้ยนะคล้ายๆแบบนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านท่านมีความคิดเลยว่า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 เข้าไปเรื่อยๆเอาัวยวะทุกส่วนเป็นที่ตั้งแห่งโรคภัยทั้งหมดเนี่ยนะพันธะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่เกิดสัอย่างเดียวเนี่ยจะมีไหมปัญหาเหล่านี้ความทุกเหล่านี้ก็ไม่มีนี่ก็เรียกความหายเมาเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่มีโรคสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดมาในโลกเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นเช่นนั้นคนที่ไม่มีโรคเกิดมาไม่เคยกินสมอแม้แต่ชิ้นเดียวก็คือพระ ปากุละที่เหลือก็เดี๋ยวก็โรคนั้นเดี๋ยวก็โรคนี้นะทุกคนเนี่ยมีโรคประจําตัวอย่างน้อยหนึ่งโรคนะบางพวกบกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าพวกที่ไม่มีโรคก็ต้องหิวละโรคหิวโรคไม่หิวโรคกระว่าอุจาระปัสาวะอยู่นั่นแหละมันก็เป็นโรคชนิดหนึ่งที่เสียดโรคแปลว่าเสียดแทงเลยนะแปลว่าเสียดแทงบีทาย่ํายีอยู่นั่นแหละมันก็มีแต่ความทุกข์ความยากและความลําบากในที่สุดบอกว่าเออถึงจะแก่ถึงจะป่วย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 คือเพราะว่าท่า น, นต้องการบอกถ้ามีลูกครองราชเมื่อไหรท่านไม่บวชแน่นอนมันเมื่อรอเมื่อไหร่วันนั้นจะมาถึงแค่ น, นั้นเอง <hed ăn? S 2> เมื่อท่านมีลูกท่านได้ขึ้นครองราชยังไงนะท่านก็ไม่บวชเพราะท่านจะไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนป่วยคนตายเห็นยังไงท่านคงไม่บวชแล้วล่ะขอให้มีลูกก่อนขอให้ได้ครองราชก่อน <eka>? บัตร น, นี้ยังไม่ได้ครองราชมันก็รอไปก่อนใจจดใจจ่อไปก่อนเพราะตอนเนี้จะมีการอารักขาป้องตันอย่างเต็มที่กลัวท่านจะไปเห็นคนแก่คน Evolution ป่วยและคนตาย เพราะว่าพวกเนมิตตกะพรามหรือพรามผู้ทำนายนิมิตได้บอกแล้วว่าพระราชกุมารเนี่ยออกบวชเพราะเห็นเทวทูตสี่เห็นเทวทูตสี่จึงออกบวชทราะเกียดกันไม่ให้ทูตทั้งสี่ประการเนี่ยไหลเข้ามาสู่คลองจักสุ ข, ของพระโพธิสัตว์แต่ถึงขณะนั้นพรมชั้นสุดท่าวาด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 จากพระมิเหษสีของท่านจะต้องจากญาติมิตรอามาศญาติสาโลหิตทั้งหมดทุกคนจะต้องพลัดพรากอย่างนี้ในตอนสุดท้ายหรือเ้าบอกวก็กลับวังเถอะพอกลับไปก็ไปคิดเลยความเกิดในช่างเลวร้ายแท้ที่เพราะที่สุดแห่งความเกิดก็คือความแก่ความเจ็บความและความตายเนี่ยนะแม่ก็บอกว่าขุดคือคือเพ่งโทษตัวเกิดตัวเดียว นะผ้าไม่เกิดสัอย่างเดียวจะแก่จะป่วยจะตายอย่างนี้หรือเห็นแต่พิษเห็นแต่ภัยก็นั่งพึมพำพึมพำอยู่นั่นแหละในที่สุดเนี่ยนะผ่านไปอีกตั้งนานนะท่านก็คิดแต่ท่านก็คิดนะท่านรู้ว่าภาระปัญหามันเต็มไปหมดแล้วทางออกอะ่ะมันคืออะไรวิธีแก้ปัญหานี้มันคืออะไร